รู้จักนะที่จากไปในรอบเจ็ดวันนี้ในเวลาแค่เจ็ดวันคนรู้จักก็เสียชีวิตไปสามคนเพราะแต่และคนก็อายุไม่มากนะสี่สิบปลายปลายห้าสิบต้นต้นเวลาเราได้ฟังข่าวครา ว, ราวหรือได้ยินเรื่องทํานองนี้นะนอกจากความรู้สึกเสียใจโนะดยเพราะ เสียใจแทนครอบครองเขาแล้วเนี่ยก็ให้ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเองด้วยว่าในแง่หนึง่งเราก็โชคดีนะที่เรายังไม่ลงเอยเหมือนคนเหล่านั้นนะเรายังมีชีวิตอยู่ยังยังมีโอกาสที่จะทำอะไรต่ออะไรมากมายนะไม่ใช่เพียงแค่หาความสุขสนุกสนานไปวันวนะัน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 ในปะชีมโอวาดนะซึ่งเราคงจะได้สาธยายกันบ้างแล้วพระพุทธเจ้าจัดเป็นเหมือนกับคําสั่งเสียหรือมรอดกธรรมก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานคําสั่งเสียของพระองค์รวมมรดกธรรมของพระองค์นี้มีแค่สองบรรทัดนะก็คือว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทใถึงพร้อมเถิด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 คือลืมไปว่าตัวเองจะต้องตายก็เลยไม่ได้ตัดเตียมอะไรไปเลยบางคนประมาทนะบอกว่าถึงตอนนั้นค่อยว่ากันแทนที่จะรีบขนขวายเตรียมตัวฝึกตนนะเพื่อพร้อมรับมือความตายก็กลับคิดว่าเอ้ยถึงตอนนั้นค่อยว่ากันนะอย่างนี้เราไปตายดับหน้าเสร็จล้วพอถึงเวล า, ราจริงก็ตกมาตายนะก็คือว่าหมดสภาพ ตื่นตหนกตกใจทุรนทุรายหลายคนนะก็เผชิญกับความตายด้วยความตื่นตหนกพรา อ, อะไรพะไม่ได้เตรียมตัวหลายคนรู้สึกเสียใจนะว่าเราปล่อยเวลาผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะแต่แล้วพอถึงตอนที่ป่วยหนักนะก็ร่าร้องว่าอยากตายอยากตายนะไอตอนที่สุขภาพดี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 หาที่จอดรถมันยากเหลือเกินนอันนี้เรียว่าประมาทนะคนเหล่านี้แหละที่เรียกว่าคิดว่าเอ้ยไปตายดานหน้าก็แล้วกันพอถึงเวลาก็ตกมาตายตอนที่มีคิดอยู่ก็กลัวตายอยากจะอยู่ไปร้อยปีแต่พอป่วยหนักก็ร่ำร้องบอกลูกบอกหลายว่าอยากตายอยากตายเพราะว่าเจ็บปวดทรมานมาก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 ก็ทุ่มเทกับงานการเต็มที่จนกระทั่งไม่มีเวลาอยู่ครอบครัวคิดว่าเนี่ยทุ่มเทให้ให้กับงานการสักยี่สิบปีหลังจากนั้นก็ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวปรากฏว่าทำไปได้แค่สิบปีก็เป็นมเร็งและอาการก็สุดหนักลงมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะเยียวยารักษาให้ดีขึ้นได้พอช้ายท้ายปลายชีวิตก็บอกว่าเนี่ยเสียดาย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 ให้การที่เราเลิถึงความตา ย, ยเสมอเนี่ยหรือเริกถึงความไม่เที่ยงชีวิตเนี่ยมันทำให้เรามองชีวิตอย่างสมจริงมากขึ้นและช่วยทำให้เราวางแผนในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องการทามาหากินก็ควรทำการหาความสุขเช่นการท่องเที่ยวนะการได้ดูหนังฟังเพลงอันนี้ก็เป็นสีส่นของชีวิตก็มีบ้างสาหรับปุถุชน แต่ว่าไอ้สิ่งที่สำคัญก่อนนั้นก็อย่าละเลยหรือว่าอย่าพัดพรผ่อนหลายคนบอกไม่ได้ละเลยนะแต่ว่าผัดพรผ่อนไปเรื่อยตั้งใจว่าปีใหม่จ ะ, ะมีเวลาให้กับลูกมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นก็ไม่ได้ทาตั้งใจว่าจะออกกำลังกายนะก็ไม่ได้ทำตั้งใจว่าะจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้นอ่ะก็พอถึงปีใหม่ก็เปลี่ยนใจไม่ทำ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 ขนาดที่อายุยังไม่มากเนี่ยอย่างสามคนที่ว่าเนี่ยอายุไม่มากเนี่ยสี่สิบปลายปลายห้าสิบต้นตนก็ตายแล้วแต่บางคนก็อายุน้อยกว่า น, นั้นนะมันยิ่งย้ำเตือนเราว่าความตายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้ถึงเจ็ดสิบแปดสิบถึงตายนยีความตายจะมารอเราพรุ่งนี้ก็ได้มารืนนี้ก็ได้ทั้งทั้งที่อายุยังไม่มากเลย ให้เราเรืองความตายเสมอหรือว่าเปิดใจฟังคาเตือนเทวดาทูตไม่ทำให้เราเกิดความตื่นตัวขนขวายกนะระตือรือร้นนะไม่ใช่หดหูนะไม่ใช่เศร้าหมองถ้าเรารู้สึกความตายจริงๆเนี่ยมันทาให้เราเกิดความตื่นตัวกระตือรือร้นเกิดความเร่งรีบในการนะทำสิ่งที่ควรทำแต่ว่าเท่านี้ยังเป็นแค่ ครึ่งหนึ่งนะของสิ่งที่เราควรเตรียมตัวอีกครึ่งหนึ่งที่สำคัญนะอันนี้พุทธา ก, ก็ตัดไว้เหมือนกันแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งสาธยายเนะ่บทสวนที่เราบังสุกุลตายเนี่ยอจิจาวัตสังคาราอุป า, ทาเวทวิมิโนอุปาชิตตวันยุรชันติเตสองอุปสมโมสุขโคอันนี้ก็พุทธา ก, ก็จัดเรื่องความตายเหมือนกันนะว่าสังขาร น, นี้ไม่เที่ยงหนอนะคล้ายๆกับ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 หยุดการปรุงแต่งเนี่ยสำหรับปุถุชนเนี่ยมันก็ยากนะมันไม่ได้แปลว่าหยุดคิดแต่หมายถึงว่าให้รู้จักปล่อยวางฟังดูก็ดูมันขัดแย้งกันนะปะัจจุบันว่าผู้เจ้าจัดว่าเนี่ยให้ทําความเพียร น, นะหรือเหมือนกับที่เราสวดเนี่ยบทอีกบทหนึ่งนะที่บอก ว, ว่าความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้พรนะเจ้าพูดถึงความตายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเพียรแต่ว่าในบท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 คอยคอยจำจีจำชายหลานให้กินเยอะๆตามวิสัยควรตีต้องกินเยอะๆกินมากๆขนาดมีมีพี่เลี้ยงแล้วนะแกก็ยังเข้าไปบังคับนะคาดคาดคั น, นให้ลูกกินเยอะๆต่อมาก็ป่วยนะป่วยโคมา่าอยู่ที่โรงพยาบาลนขณนะที่อมาม่าโคมา่าอยู่ที่โรงพยาบาล น, นะตอนเย็นลูกหลาน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 ใจปวดเพราะใจเนี่ยมันไปไปไปยึดไปยึดเอาความปวดของกายยิ่งปวดเท่าไหร่ยิ่งต้องวางอย่างเราอ เ, เวลานั่งอยู่เนี่ยสังเกตมาพอปวดพอเมื่อยเนี่ยใจมันจะไปจดจ่อยตรงที่ปวดที่เมื่อยนะหรือเวลาอากาศหนาวเนี่ยนะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเช้ามือ น, นี้อากาศจะหนาวไอ้ตรงไหนที่หนาวเนี่ยใจมันจะไปจ่อยตรงนั้น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 หลายคนนะเวลาอยู่ในระย ะ, ยะทยย้ายยังอารวาสดา่าหมอดา่าพยาบาลเพราะเขาโกรธนะบางทีแล้วลงไขไม่ได้ระบายไขไม่ได้ก็ระบายใส่หมอใส่พยาบาลอันนี้เพราะความยึดนะความยึดใจมันไปแบกเอาไว้มันทำให้ตายตายไม่สงบนะบางทีก็โกรธโชคชะตานะว่าอุสา ทำความดีนะอุตสาหรักษาดูแลร่างกายอย่างดีนะกินอาหารชีวจิตแมกคโครเบลติกนะออกกำลังกายกินอาหารที่มีแอนตะี้ออกซิเดนต้านอนุมูลอิสระจะไปดูไลนะ่าโคควิเทกินหมดนะดันเป็นมะเร็งไอคนที่กินเหล้าสูบรบียรมันไม่เป็นแค้นมากนะอันนี้มีจริงนะมีคนที่แค้นมากยิง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 อย่างนางมาริกาเทวีเนี่ยเมรเสีพระเจ้าปร ะ, ระสิทธโกศนเป็นคนที่ดีนะแต่ว่าตอนจะตายเนี่ยก็อายุไม่มากยี่สิบปลายปลายสามสิบต้นๆ้นก็ระลึกจำได้ถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ไปโกหกพระเจ้าประสิิโกศเอาไว้ก็หกสำเร็จนะแต่ว่าพอจะตายเนี่ยจิตใจก็เศร้าหมองเพราะว่ามันเป็นมือสาวาดสลัดไม่ได้ตายปุ๊บนี่ไปอาบายเลย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 พอจะายาเนี่ยนึกถึงอะไรที่เป็นอกุศลหรือ ว, ว่าเจ็บเป็นหนูเหนียวอารมณ์ที่มันเป็นเป็นลบเช่นความรู้สึกผิดความโกรดนี้ไปเลยนะแต่ว่าถ้าทําความดีไว้กรรมที่กรรมดีก็จะหนุนส่งตามมาอย่างเช่นานางอเมริกาที่ตกนรกเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ได้ไปสวรรค์อันนี้เพราะกรรมดีที่ทําแต่อย่งไรก็ตามเนี่ยก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็ให้ไปดีก่อนเนี่ก็คือว่าให้อาสาณกรรมเป็นกุศล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 ที่เชื่อว่าเราจะปกป้องคนดีก็ทำให้เรามั่นใจในความดีที่ทำแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ควรจะทำควบคู่ไปกับการเจริญมรรณะสติด้วยแลรวลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอเมื่อเราลึกแล้วเนี่ยก็มันเจริญนะเจริญอนาปานาสติหรือว่าการเจริสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานนี่มันไม่ใช่อุสติมันเป็นมหาสติเลยนะ อนสติย่างเดียวไม่พอนะต้องสร้างมหาสติด้วยเนี่ยแล้วที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือการสร้างมหาสติขึ้นมานะเพื่อจะปกป้องรักษาคุ้มครองจิตใจทำให้ น, ะนยามในยามทุกข์นะเราก็ผ่านไปได้หรือถึงว่าในสุดก็ต้องอต้องล่วงรับดับขันไปนะก็ใจก็ไม่ทุกข์ทรมานอย่างที่เนี่ยเมื่อกี้เราสวดเนี่ยเตสมงุ ป, ปัสโ ม, มสุขโข